ตอนนี้ก็พูดอีกแล้วแต่ทุกคนต้องการความสุขความสุขนั้นตายแล้วจึงเอาเนี <ut> ่ยเป็นอย่างนั้นลงพอกไปเป็นมาแล้วเรื่องนี้จึงเอาตัวเองมามาเป็นหลักการมาเป็นประธานมาเป็นนะคําพูดเมื่อทําบุญก็ต้องปัทนาเอาสวรรค์เอานิพพานถ้าหมดกิเลสก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าไม่หมดกิเลสก็ต้องไม่ไม่ ไ, มได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานกิเลสไม่มีตัวไม่มีตน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 คนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันคนนันก็เรียกว่าตกอยู่ในระหว่างถ้ำตาจะมีทางสีแ่แผงจะเดินไปทตะวันตกตะวัดออกได้จะไปเดินข้างหน้าข้างัวได้นะคนอยู่ที่สงสลางในวังคนอันมนุษย์นี่หมายถึงบุคคลผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งพัฒนาแล้วเราพัฒนาดูแล้วจิตใจของเราดูแล้วเราแบบมนุษย์แปลว่าผู้มีมนณนะมีจิตใจเข้มแข็ง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 เราเสียสละให้อภัยแกเพื่อนแล้วน่ยนะเรียก่าอภัยทานธรรมทานอภัยทานธรรมทานเพราะว่าเสียสละให้ให้เพื่อนเนี่ยลอยข้างพันหมุ่นก็ยังไม่เหมือนกับเทีย่ยงธรรมทานธรรมทานนี่คือเราต้องเป็นธรรมะอยู่เสมอใครจะพูดยังไงก็ไม่ต้องเสียสะละอะไรคือเราอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยธรรมทานจิตใจหลักธณะนี้เป็นว่าเหนือนดี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 เดียนะยยเด๋ยวนี้เนี่ยไม่มีนะคุณคุณมียิ้มมีขี้ในเดี๋ยวนี้เคยเคยเคยไหมเรื่อมีมีทุกคนไมไัมสัตว์จะมีไหมเนี่ยสัตว์ก็มีแต่สัตว์นั้นสอนไม่รู้เรื่องคนก็ดีกว่าสัตว์แมวก็มีสุนัข ก, ก็มีตอนเศร้านี่กําลังสั่งอาหารอยู่กับไก่สองตัวสั์กันอยู่นนั้ชุมช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 เนี่ยย้ายมันเป็นอย่างที่งูงูหางงูพาหัวงูไปเข้ากลองไ ป, ไปตายหัว ม, มึงดีไหมกูไม่ไปด้วยมึงลล้วก็มึงไปไม่ได้หัวแถวหางแถวเนี่ยงานที่เลงเขา้าไ น, น, นั่งเป็นแถวกันดีๆนั่งเป็นแถวกันดีๆหัวแถวหางแถวนั่งให้มีระเบียบเรียบร้รรอยหัวนั่งอย่างนึงหางนั่งอย่างนึงมันก็ไม่สวยมั น, นจะดูที่ไหนไม่มีระเบียบเรียบร้รอยมันไม่มีสภาพเรียบร้อย